วันนี้ก็วันสุดท้ายที่เราเจะได้ปฏิบัติร่วมกันแต่ก็ไม่ใช่วันสุดท้ายขีการปฏิบัติของเราการปฏิบัติธรรมนั้นจะไม่เกี่ยวกับสถานที่นะสถานที่ที่ใหนไม่ะถ้าคนที่ใจรักคนที่เข้าใจก็สามารปฏิบั ต, นนติธรรมไดทุกที่ เพราะาปฏิบัติธรรมจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับสถานที่ไม่ได้เกี่ยวกับอื่นเพราะเราปฏิบัติธรรมที่น่ที่กให้ที่วาจาที่ใจของเราภายวาจาใจมันอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติที่ตรงนั้นแหละนะหนีไม่พ้นเลยนะเราไม่สามารถหนนะีหนีกายวาจาใจของเราเองได้นะนั้นมันก็มันก็ทุกที่นะ ที่เราอยู่ทุกสิ่งที่เราทำหรือว่าทุกกิริยาที่เราพูดอันนั้นนะคือการปฏิบัติธรรมเท่านั้นปฏิบัติได้การที่เห็นนะเห็นกายวาจาใจมันทำอะไรหรือถ้าบางอย่างเป็นคำพูดเป็นการกระทำนะก็ให้มิสติเข้าไปรู้ก่อน อาบรรลก่อนเนยนี้หมาถึงว่าก่อนพูดก่อนทําเลยมีสติรู้ทันก่อนว่าอารมณ์เป็นอย่างไรน ะ, นะปกติไหมกำลังจะพูดเนี่ยด้วยอารมณ์โกรธหรือเปล่ากำลังจะทําด้วยความความอยากหรือเปล่าถ้าเราสติรู้ทันก่อนนะอารมณ์มันก็จ ะ, ะถูกสติเข้าไปรู้อารมณ์ก็จบไป การกระทำนั้นก็จะเป็นการกระทำด้วยความเป็นปกติทำด้วยคารมีสตนะนะิก่อนก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำเนะื่อถ้าเรามีสติเนะี่ยกายวาจาเราก็จะเป็นปกติแต่ถ้านะก่อนทาก่อนพูดนะขาดสติเนะก็คืออยู่กับอารมณ์หรือความคิดนะนะการกระทำนั้นนั้นก็อาจจะผิด นี่คือเราต้องรู้ทันก่อนนะรู้ทันแต่ถ้าเนะี่ยการจะทำนั้นคมพูดนั้นมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับใครอะไรมากมายนะเราก็ต้องมีสติรู้ลงไปในในการกระทำนะของเราเองนะรู้กายลงที่ปัจจุบันนะรู้ใจนะที่คิดนึกปรุงแต่งอะไรเราก็รู้ทันนะนี่คือการปฏิบัติธรรมที่ ที่ตรงแล้วก็ด้านที่สุดนะเราก็กลับมาดูตัวเองเนี่ยนะคนอื่นนั้นเขาจะเป็นอย่างไรแต่วันนี้เราออกไปเจอผู้คนหลายค น, นเอาอจะทําอย่างที่ด้วยที่ไม่ใช่เรื่องของทิ่แค่เดินจงกลมแค่นั่งยกมือเนี่ยคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรเนี่ยก็ที่จริงนะเป็นเรื่องของเขา <c ười> เรื่องของเราเองจริงนะนะเนี่ยเนี่ยเมื่อเรากันมาดูตัวเราเองน่ะ คำพาดเรื่องของเขาไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจเขาแต่เรื่องของเขาเราก็รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้ น, นเขาเขาเป็นอย่างนั้นแหละเขาพูดอย่างนั้นแหละเ้าทาอย่างนั้นแหล ะ, ะเป็นเรื่องของเขาอยา่าไปคิดที่เราจะไปเปลีป่ยนแฟงคนอื่นถ้าเราเปลี่ยนแฟงตัวเองไม่ได้พนะาทีคนในโลกนี้คิดไปเปลี่ยนแฟงคนอื่นก็อาจจะคิดด้วยความหวังดีนั่นแหละ การคิดอยากจะไปเปลีป่ยนแปลงคนอื่นให้เขาให้เขาดีขึ้นนะให้เขาสงบลงให้เขาอยากมารู้ทำมากเหมือนกับเราบ้างนะที่จริงมันต้องเริ่มต้นที่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองก่อนนะเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองเจนถ่านคนอื่นเขาเห็นว่านะตัวเราเองเปลี่ยนแปลงเขาก็สนใจนะเขาก็อยากจะทําตามเองนะ เราจะเพิ่งเราจะไปมุ่งเน้นที่การจะไปเปลี่ยนแปลงเขาะเราม er ุ่งเน้นที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเหมือนสมัยนี้นะบางทีพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนนะเวลามาที่วัดก็ลาเจริามักจะบอกลูกลูกไหว้พระสิลูกแต่พ่อแม่ินดีใจไงแต่ก yeah, ็ต่างจากพ่อแม่บางคน ก็ทำที่ลูกดูก่อนแล้วก็บอกให้ลูกทําตามเลยคนระับลูกเขาก็ทำได้แต่บางทีลูกนะเห็นแต่พ่อแม่พู ด, พดบอกให้เราทําทำไมตัวเองไม่ทำํำนะเด็กมันก็ <c oughs> งงสิแต่ถ้าเด็กคนนั้นเขามีนิสัยของเขาเองอยู่แล้วเขาก็อาเอะไม่ได้ไม่ได้อสนใจมากว่าแม่ทําหรือไม่ทํา พอบางคนก็เห็นข้าเขาก็อยากจะไหว้เขาอยากจะกราบเองแต่บางทีผู้ใหญ่หลายคนใช้วิธีใช้สอน้วยคำพูดแต่ตัวเองไม่ได้ทําไปด้วยนะตัวเองก็ไม่ได้ทําจริงจริงเด็กเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้ถึงสับจริงๆฉินั้นที่จริงนะหลายคนอาจจะหวังดีนะกับคนก็บข้างนะอยากให้มาปฏิบัติธรรมด้วยอยากให้ศึาากษาธรรมะด้วยนะ จะได้ไปดิฟกันนะจะได้อืเข้าใจกันนะแต่บางคนก็ง่ายนะบางคนก็ยากนะเพื่อนเราคู่ของเราหรือลูกหลานของเรานะบางคนก็ใส่ใจบางคนก็ไม่ใส่ใจแต่เราจะมีมุ่งเน้นตรง น, นั้นมากเนาะเรามุ่งเน้นเนี่ยแหละเราอาศัยนะเราทำที่ดูอยู่ให้เห็นเย็นให้สัมผนะัสนั่นแหละเป็นการ เผยแพรธรรมะที่ที่เรียกว่าดีที่สุดนะเราไปเผยแพร่ธรรมะในทางที่เราพูดว่าพระท่านสอนอย่างนั้นอย่างนี้เธอไปทำติดให้หนังสือธรรมะให้ดีๆธรรมะไปการเผยแพร่เช่นนั้นนะมันก็อได้ไประโยชนไ์ไม่ไม่ได้ตรงไม่ได้ตรงที่สุดสำนัก ก็อย่างหนังสือซีดีไปเขาจะอ่านเขจะฟังหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เราบอกเราสอนเข้าไปว่าครบาอาจารยสอนให้ทำแบบนี้นะแต่เขาอาจจะกาแค่ฟังผ่านๆไปก็ไม่รู้แต่ถ้าเราเนี่ยนะทุกการจะทำทุกคำพูดของเราเองนะเป็นการจะทำด้วยความมีสติด้วยความรู้แล อ, ร, อรู้ตัวเวลาเขาร้อนมา นะเราสงบอยูนะ่เวลาเขาหลงเราก็ตั้งสติไว้ไม่หลงไปกับเขาเกิดสติให้กับเขาได้นะมันจะเป็นความที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าเอออนะความสงบของเราเองนะความมีสติของเราเองนีง่แหละมันจะเป็นตัวทําให้เขาเกิดศรัทธาขึ้นมาศรัทธานะอาจจะศรัทธานในการกระทาของเราเอง หรือรวมถึงสัทธาในในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อไปใช่ไหมบา อ, อทีเราบอกว่าเราเป็นชาวพุทธมีศรัทธาบาอทีก็พูดไม่ได้เต็มปากหรอกนะบางคนศรัทธาแบบเป็นเพียงแค่พิธีกรรมเฉยๆนะมาไหว้พระมาทำบุญนะแต่ศรัทธาจริงๆเนะี่ยถ้าเราเห็นว่าโอ้สิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนนะ แลวถ้าเราทำจริงๆเนี่ยมันได้ผลได้ผลเป็นความทุกข์ใจที่มันน้อยลงได้ผลเป็นความสุขใจที่เป็นความสุขใจที่แท้จริงน ะ, นะอันนี้คือมันจะเกิดศรัทธาเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้านะท่านมีจริงน ะ, นะมีจริงไม่ใช่เชื่อเพียงแค่ว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ให้ไปดูไปเห็นในสะถาที่ตนั้นแต่เราจะดูว่าพระพุทธเจ้าท่านต้องดีจริงๆแหละท่านถึงพูดแบบนี้เนะพราะพูดแบบนี้แล้วนะก็คือพระธรรมของท่านใช่อืมที่ท่านพูดความจริงออกมาพระพุทธเจ้านะท่านพูดแบบนี้ท่านสอนแบบนี้เราทําแบบนี้ตามเนี่ยมันเกิดผล น, นะเนี่ยพระพุทธพระธรมพระสง มันเกิดขึ้นในใจของเราเองนี่แหละนะมันจะเกิดศรัทธาที่ที่ตั้งมั่นไม่ไนะม่ง่ายคลอนแคลนนะพอนจะเกิดความเข้าใจเองบางทีไม่ได้เข้าใจโดยภาษาเพราะบางทีก็ใจปิดหลบเองนะเราไม่ได้เรียนบาลีมาเองหรอกนะเวลาคนอื่นเขแปลก็ไม่รู้เขาแปลด้วยนะเข้าใจมากมขนณะไหนอาจจะแปลโดยภาษา แต่ที่จริงมันมีมันมีความเข้าใจในธรรมที่ของผู้แปลซึ่งก็ต้องมันมีส่วนเกี่ยวข้องว่าแปลได้ถูกแปลได้ตรงขนาดไหนแต่ที่จริงเราฟังคนอื่นเขาแปลคำอ่านที่เขาเราอ่านมาหรือเราฟังคนอื่นเขาอธิบายก็อย่าไปตีความแบบซื่อๆตามตัวอักษรแต่เราต้อง เอามาลองทําดูว่ามันเป็นอย่างไรอนะทําแบบนี้แล้วมันเกิดผลอย่างไรเนะนะถ้ามันเกิดผลเป็นความทุกขนะ์เป็นความตึงเกาอย่าเพิ่งไปโทษเขาว่าเขาแปรไม่ดีแม่ไม่ถูกอาจจะลองดูว่าไอ้ที่เราทําเนี้ยอจะทําทถูกหรนะือยังนะเดี๋ยวบางทีถ้าลองทําแล้วอืมก็ทําอย่างนั้นแล้วเมัาก็ยังตึงในทุกอยู่แต่ว่าอาจจะแปรไม่ตรงนะก สอนไม่ตรงนะเราก็ปรับของเราเองว่าก็จะทําแบบไหนเนะี่ยมันถึงจะมันถึงจะพอดีเนะี่ยมันถึงไม่ทุกขนะ์ล้วก็ลองทํานะถ้าทําแล้วมันไม่ทุกข์นะทําแล้วทุกข์มันลดรงทําแล้วมันทําให้เราเห็นตัวเองมากขึ้นนะรู้จักตัวเองมากขึ้นนะรู้ตัวเองคือ น, นะรู้กายมันทำํำรู้วาจามันทำํำรู้ใจมันคิดเนะี่ยะ รู้ทันวันได้เร็วขึ้นรู้ทันมันได้่อยขึ้นนั่นแหละคือเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนะไม่ว่าคนอื่นจะพูดจะคิดจะทําอย่างไรนะกับเราเนะี่ยเราก็แค่กลับมาดูตัวเองนะจริงการปฏิบททัติธรรมจริงเหมือนเรามีกระจกนะสะท้อนกลับมาดูตัวเองนะถ้าเราดูตัวเองได้นะะขนาดที่มันโกรธก็ดีนะบางทีหน้าตาเราก็ ไม่ปกติใช่ไหมลมหายใจไม่ปกติถ้าเรากลับมาเห็นตัวเองเห็นกายมันไม่ปกติน่ะ <c oughs> มันก็จะเห็นว่าเออเนี่ยกายมันไม่ปกติแล้ว อ, อใจไม่ปกติด้วยน่ะมันก็จะเปลี่ยนได้แต่บางคนเชิดโกรธหน้าตายังเป็นปกติอยู่ <c oughs> ออแสดงเก่งนะ <c oughs> แต่ข้างในน่ะอาจจะไม่ปกติแล้วน่ะ แล้วก็รู้ทันนะที่ข้างในของเราเองนะอ๋อคือที่จริงนะให้ยอมรับตัวเองตามความเป็นจริงนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าเราจะแแ้งว่าเราเป็นคนดีน <c oughs> แแ้งเป็นคนดี <c oughs> ในแง่ประมาณว่าฉันจะต้องไม่โกรธฉันจะต้องไม่อยาฉันจะต้องไม่หลงในประมาณนะั้นสมมติเราโกรธเราก็แค่ยอมรับว่าจิตมันโกรธนะมันจะจบง่ายๆนะ บางคนไปทําผิดอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือไม่รู้ตัวเองเลยแล้วเดือนเดือนไปเบอรเบอร์ไปรู้ตัวเองไม่ชัดเบเบอร์ไปถามว่ารู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้ถามเมื่อคิดอย่างไรก็ไม่รู้อะไรประมาณนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยชัดเจงตัวเองคนแบบนี้ก็คล้ายๆดูตัวเองไม่ชัดอีกคนนึงประเภทหนึ่งรู้ตัวเองชัดแต่แต้ม แต่แแงทำเป็นดีแแตงทำเป็นไม่ยอมรับตัวเองแต่นักปฏิบัติทำจริงๆนะมันเกิดอะไรเราก็ยอมรับตัวเองเนี่ยที่มันเป็นนั่นแหละดูไปแต่ถ้าเราดูจริงๆนะมันจะเห็นว่าที่จริงมันเป็นเพียงแค่อารมณ์มันเป็นเพียงแค่อารมณ์มันไม่ใช่เราแต่ก่อนคิดว่าเป็นเราเป็นเราเป็นผู้โกรธ เราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้อยากเราเป็นผู้รักเราเป็นผู้ชังแต่ถ้าเราดูได้จริงมันจะถอนตัวเราออกมาตัวเราจะเป็นผู้ที่มีสติเป็นผู้ดูดูมันโกรธดูมันคิดดูมันอยากดูมันรักดูมันชังเมื่อเราดูมันได้แล้วเออสิ่งในต่างนั้นมันก็เพียงแค่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจ เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะทําตามหรือไม่แต่ถ้ามีสติจริงๆนะมันจะเลือกไม่ทําตามอารมณ์ครับอารมณ์ในที่นี้คืออารมณ์ฝ่ายคติสนน่ะนะอมันจะเลือกแต่ถ้าใครบอกว่าก็รู้ตัวนะแต่ก็เลือกที่จะทําตามอคติสนนะไม่ใช่นะใช่ไห ม, มคนบอกเนี่ยยุ่งมันกัด น, นะ ตอบยุง่งด้วยความมีสติอ่า <c oughs> ไม่ได้อือ ม, มันถ้ามีสติเนี่ยจะทำร้ายคนอื่นทําร้ายตัวเองก็ไม่ได้นะอือหรือก็รู้สึกตัวนะแต่คิดเจะถ้ามันเป็นทุกข์อย่างนี้นก็ไม่ใช่นะถ้าคิดว่าเป็นทุกข์เนี่ยไม่ใช่คิดด้วยการมีสตินะอือ ม, มันทําให้ตัวเองทุกข์ทำให้คนอื่นทุกข์เนี่ยอ่มันไม่ใช่ทําได้สติ แต่บางทีมันถ้าเป็นกุศลนะมันก็ต้องเลือกกล่ะ น, นะว่าควรทําไม่ควรทําอย่างไรนะบางทีเมตตาปัทนานี้ย่างที่ช่วยคนอื่นนะเราก็ต้องดูว่านะทํำขนาดไหนมาสมควรนะเราเลี้ยงลูกเราสอนนักเรียนเราเกี่ยวข้องกับเพื่อนบางคนก็ลักมากอนะทํามากนะก็เป็นการ ค่าเขาทำอ้อมก็มีเนียฮะพ่อแม่ดั้งแกท่าันนี่ตั้งแก่ด้วยความรักนี่แหละนะรักมากๆ ก, ก็ลูกก็ไม่มีปูนต้านทานลูกก็ไม่ได้ผเผชิญกับนะเดือดร้อนชีวิตได้เติมเต็ที่ิพระคุณเจ้าท่านไม่ได้สอนแค่เมตตาคุณพุนาท่านสอนมุทิตาอุเบกขาไปด้วยวางขณะก็ต้องมีอุเบกขา ดูเฉยๆดูแบบว่งห่านะให้เขาได้เรียนรู้จากกาับควาทุกข์ด้วยตัวเองบ้างบางทีมีโยมมาปรึกษาอะไรแต่จะมาบางอย่างเวลาเขามีปัญหามีความทุกข์นะบางทีเราก็ก็เพียงแค่แนะนําไปให้กระตังใจไปแต่ไม่ไปช่วยจัดการปัญหาอะไรให้มากนะเพราะว่าถ้าเราไปช่วยจัดการอะไรมากนะเขาก็จด คุ้นคินในการที่เราต้องไปช่วยเขาทุกเรื่องแต่บางทีเราก็ต้องแค่บอกวิธีบอกการบางใจแล้วก็ให้เขาได้ลองทำเอง <c oughs> ถักขณะที่ทำอาจจะผิดบ้างเต้าบ้างหลงบ้างแต่ถ้าเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเขาเองจะทำให้เขาเข้มแข็ง ข, ขึ้นมาของเขาเองแล้วก็จะมั่นใจว่าเ อ, อ เขาเองก็ทําได้ไม่ต้องให้เราให้ใครไปช่วยเขาตลอดเวลานั้นที่จริงนะเวลาเราจะช่วยใครจริงเราก็ช่วยด้วยความรักความเมตตาเนี่ยแหละแต่อย่าไปทําให้เขานะแต่บอกให้เขาทาแต่บอกให้เขาทาก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ทำใช่ไหมอืมแต่ที่ว่าเราบอกให้เขามีสติเราไม่มีสติเนี่ยก็ไม่ได้ใช่ั้มอืมเราบอกให้เขาน่ะ รู้จับ่อยวางถ้าเราเองไม่รู้จักบ่อยวางว่าเราบอกไปแล้วนะเราก็วางนะแล้วก็ดนะูแต่ไม่ใช่วางเฉยนะวางในการดนะูในการที่ให้กาลังใจเขาอยู่แต่ต้องให้เขาได้ทำเองนะเราก็เป็นการเราก็ปล่อยวางให้เขาดูนะให้เขาสู้ด้วยตัวของเขาเองเลนะแต่เราก็เป็นกาลังใจอยู่นะนี่คือแต่เาปฏิบัติทำจริงเราจะกลับมา กลับมาดูตัวเองนะกลับมาดูตัวเองว่านะเราทำนะมากน้อยขนาดไหนอนี่มันจะนเกี่ยวข้องกับคนอื่อมนมันก็มีเหตุปัจจัยอีกหลายอย่างนะนะแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวจริงๆมันก็คือเราก็ดูว่าเกี่ยวข้องแล้วมันทุกข์ไหมนะถ้าเกี่ยวข้องด้วยใจที่ไม่ทุกข์เนี่ยแต่ว่าระวัง ใ, ใจไปถูกว่าแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องแล้วมันทุก เวลาเขาเครียดเราเครียดไปตามเขาเวลาเขาฟูเราฟูไปตามเขาเนะี่ยแสดว่าใจเราวางไม่ผิดนะแต่ถ้าเราเกี่ยบข้องกับเขาใจเราก็ย็นปกติอยู่ใจก็ไม่ทุกข์นะอันนี้ก็คือแสดงว่าเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่นะนะไม่ใช่ว่าเราจะพูดไม่ได้ใช่ไหมเราก็พูดอย่างมีสติก็ได้นะเราจะทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่แค่นะ ปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็ทำอยมีสติก็ได้อันนี้ยเราจะคิดนก็ได้นะเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนนะแต่คิดนแต่อย่าคิดจะเป็นวุ่นนะถ้าคิดก็เพื่อคิดเพื่อความเข้าใจคิดเพื่อการงานคิดแล้วก็วางตอนคิดไม่ได้ประเด็นก็คือว่าคนส่วนใหญ่เวลามันคิดแล้วมันวางตอนคิดไม่ได้นั่นะนะ เิดแล้วมันก็คิดยาวหรือคิดแล้วก็ตัดมาวนๆเวียนๆคิดไม่จบไม่สิ้นนาทีครับงั้นที่จริงนะเราก็ต้องฝึกให้มันมีมีวินัยนะวินัยไม่ใช่วินัยของพันเป็นระเบียบวินัยนะระเบียบวินัยก็ตัวเองนะเวลาทํางานนะก็ตั้งใจทํางานแล้วก็เวลาเรากลับมาที่บ้านหรือเราทํากิจกรรอื่นนะ ก็ต้องมีระเบียบกับตัวเองมีวิ น, นัยเวลานี้นะเป็นเวลาที่เราต้องใส่ใจกับอย่างอื่นบ้างนะไม่ใช่เอางานมาคิดนะตลอดเวลากินข้าวก็ไม่ใช่คิดแต่เรื่องงานเราอยู่กับลูกเราอยู่กับคนที่เรากินข้าวนะเราก็ต้องมีสติเกี่ยวกับตัวเราเองมีสติในการใส่ใจดูเขาด้วยนะบางทีไม่ดูคนที่กินข้าวด้วยอ็ไม่ใช่นะบางที คุยกันก็ต้องมองตากันบ้างนะไม่ใช่จะเพ่งดูแต่ตัวเองก็ไม่ใช่นะอ ม, มองเขาสะท้อนกันมาดูตัวเรานะที่จริงมองเห็นเขารู้สึกอย่างไรนะเขาทุกข์เขาเศร้าเ็ามีความสุขไห ม, มนะเราก็เห็นนะเห็นที่สายตาเห็นที่กิริยาตีความคำพูดของเขาได้นะนะนะไม่ใช่การคิดนะแต่เหมือนอ ประมาณแล้วเข้าใจก็ประมาณนี้นะแล้วก็ต้องดูเขานะไม่ใช่ว่าจะดูแต่ตัเองเช่นหลายคนนะเวลาจะพูดนะจะสนใจแต่ตัวเองอยากจะพูดอะไรไม่ได้สนใจว่าเขาพูดอะไร <c oughs> เขาพูดอะไรมาเนะี่ยความคิดจะเกิดขึ้นะ่ะเราจะพูดอะไรเราจะบอกอะไรเขาจะจะตอนอะไรเขาแต่จริงเราดูมั้ยว่าเขาอยากฟังหรือเปล่าเขาฟังฟังหรือเปล่าขเาขา อ, อยู่ในอารมณ์ไหน แต่ถ้าเราเกี่ยวข้องอยังมีสถิติอยู่นะขณะที่ฟังเราก็รู้เรื่องที่ฟังรู้อารมณ์ของผู้ที่พูด่วมทั้งรู้ใจของตัวเองด้วย<ม>ขณะที่พูดเองนะเราก็พูดนะอย่างเรียกว่าอย่างค่อยงตรงประเด็นนะแล้วก็แล้วก็พูดด้วยความมีเมตตาพูดด้วยความปรารถนาดีแล้วก็พูดนะ รู้อารมณ์ตัวเองด้วยนะแล้วก็เกี่ยวข้องได้นะเวลาเราพูดเวลาเราทําสิ่งต่างๆก็เหมือนกันนะหรือถ้าเราคิดนะก็ ค, คิดในทางที่อถ้าตั้งใจคิดนะ่ะก็ตั้งใจคิดในทางกุศลนั่นแหละแต่บางทีความไม่ตั้งใจคิดมันก็โผล่เข้ามานะใช่ไหมโผล่เข้ามาในทางอกุศลแล้วก็เพียงแค่รู้ทันนะรู้ทันแล้วมันคิดไม่ดีแล้วนะ เนี่ยมันคิดโกรธแล้วนะคิดไม่พอใจแล้วนะแล้วก็รู้ทันนะมันห้ามไม่ได้หรอกนะเวลาเราอยู่กับผู้คนจะน้ามไม่ให้เอ่าจิตมันไปคิดอย่างอื่นมันก็ห้ามไม่ได้แต่สิ่งที่สําคัญนะเราฝึกนะฝึก ด, ดูมันนะอย่ากที่ว่าถ้าเราทําการงานให้ถูกเวลาให้ถูกเวลาให้ถูกการณ์เทศนะ์เนี่ยเราก็จะลดจับบาปนั้นบ้าง น, นะ วางวางการงานวางความรับผิดชอบนะเพราะจริงๆคนเรามีหลายคนบาตรหลายหน้าที่ใช่ไ<ม>ก็ต้องทำหน้าที่ของเราให้ถูกนะเราจะทำหน้าที่เราเป็นนะเป็นคนทำงานที่ดีในองคอ์กรแต่ถ้าเราทาแต่งานบ้างานมากหน้าที่ความเป็นพ่อความเป็นแม่ความเป็นลูกล้วนะก็อาจรพ้องไปได้ไหม แต่ถ้าเราทำหน้าที่เต็มความเป็นแม่ที่ดีนะเร า, าอาจจะคิดถึงแต่ลูกมากเกินไปเวลาทำงานก็อาจจะไม่ใส่ใจนะเวลาอยู่กับพ่อแม่เราเองก็คิดถึงแต่ลูกนะก็บอกข้ อ, ของความเป็นลูกของเรามันตะ้องไม่ใชนะ่เราดีบนบานในหน้าทีนะ่เราก็ต้องทำให้ดีตามสมมตนะินะั่นแหละแต่ก็ต้องเป็นนะทำให้ดีในวงเล็กว่า นะไม่ติดตินะไม่ติดพันนะไม่ใช่ว่าเราอยากจะปัฒนาให้เขามีความสุขแต่เราทำด้วยวิธีการที่มันไม่ควรไม่ถูกนะตัวบางที่เขามีความสุขนะในบางทีความดีนะบางทีมันก็ถ้าคนไม่เข้าใจก็คิดว่าตัวเองทำดีนะเช่นบางคนนะ <c oughs> เวลานะทำงานะนะเราก็อยากจะได้เงินมายเยอนะ เพื่อบางว่าครอบครัวเราจะได้มีฐานนะจะได้เลี้ยงครอบครัวเราให้สบายในชะ่ไหมแต่ต้องมีความรักในครอบครัวของเรานะบางมันก็จะได้งเงินเยอะๆเพื่อเลี้ยงครอบครัวให้สบายแต่คนพอเป็นโฟกัสที่ตรงนี้นะเราอยากให้ครอบครัวงเราสบายแต่ถ้าเราหาเงินด้วยการที่ไปเบียเพียนคนอื่นนะไปโจรคนอื่นนะเพื่อให้ครอบครัวของเราสบายคนเที่ยวอันนี้ก็ผิดหนละักใช อาจจะมีความนับครอบครัวมันถูกมันดีแต่ถ้าเราไปเรียนเบียนคนอื่นเพื่อให้ครอบครัวของเราดีสบายเยียงเดียวมันก็ไม่ใช่นะเนี่ยเวลาเราปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยเราจะอืมเราจะดูที่เนี่ยตัวธรรมะเป็นหลักเลยนะอะไรถ้ามันผิดศิงแม้มันาจจะทำให้ชีวิตเราลำบากมันยอมทำน ะ, <c oughs> นะยอมอดดีกว่านะ ดีกว่าเศร้าหมองจิตใจแต่เพราะบงคนไม่รู้ทันตรงนี้นะเศร้าหมองจิตใจจะไป็อมมีความสุขแบบอื่นแทนก็เลยยอมทำแบบนั้นแต่ท่านนักปฏิบัติรำจริงนะบางทีนะเวลาจะไม่สบายนะแต่เราจะไม่ทำถามันผิดจีในสติก็จะเป็นคอยตัวใเตือนว่าตัวที่มีค่า จริงๆน่ะคือเรื่องของจิตใจตัวอย่างอื่นที่เป็นเรื่องของร่างกายน่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องสําคัญมาหนักนะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ไม่มีสําคัญนะก็มีความสําคัญแต่ไม่ใช่ความสําคัญถึงที่เกิดพอร่างกายสุดท้ายก็ต้องมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดา เราจะดูแลมันดีอย่างไรนะเราจะดูแลคนรักของเราดีอย่างไรสุดท้ายมันก็มันก็ต้องจากกันไปจากโลกนี้ไปเท้านั้นแหละนะแต่ตัวจิตใจเนี่ยมันสําคัญกว่าจนะิตใจนะถ้าเรามีสติ ด, ดนะีถ้าเราผมฟึ่งศีลดนะีมันก็จะทําให้เกิดความกลุ้มใจตัวเองนี่ถ้าเราฟึ่สติดีนะ เกิดความสัมบูรณ์เกิดความระวางอย่างที่เราสรวจนนะ่ะพิสูจผู้ที่มีความสัมบูรณ์ในอินทรีย์ทั้งหลายดีแล้วนะย่อสมสามารถพ้นจากภูมิทั้งภูมไดนะ้ตัวสติเนี่ย น, นะมันจะทําให้เรามีอินทรีย์ทสั่งสอนนะคือการสํารณ์ในตาหูจมูกลิ้นกายใจกนะารสํารณ์ในที่นี้ไม่ใช่ว่า แต่ไม <elet> ่ด hmm. like like ูอะไรไม่พูดอะไรไม่ฟังอะไรไม่คิดอะไรไม่ใช่นะแต่เมื่อตาเห็นรูปมีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงมีสติรู้ทันเมื่อจมูกได้กลิ่นมีสติรู้ทันเมื่อลิ้นลิ่รสเมื่อลิ้งรสมีสติรู้ทันเมื่อกายสัมผัสก็รู้ทันเมื่อใจคิดนึกก็รู้ทันรู้ว่าอะไร นะรู้เนี่ยว่าตามองเห็นเนยรู้นะรู้ตัวเนะคือการคำนวณนะถ้ามันจะเป็นต้องดูนะก็ไปดูนะใช่ไมเราอ่านหนังสือถ้าดูตัดแตว่าดูเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆนะก็ต้องดูแล้วก็ต้องอ่านให้เข้าใจนะหูเองก็เหมือนกันนะคนอื่นก็พูดอะไรกันข้างนอกนะเราก็ได้ยินนะแต่มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ต้องเป็นปัน แต่ถ้าคนพูดกับเราอยู่เราจะตัดได้ว่าที่เสียงตัดได้ว่าเสียงก็ไม่ได้ก็ต้องฟังนะฟังมาแล้วก็รนะับข้อมูลมาแล้วก็ดูใจตัวเองไปอันนี้คือการการตํารวจในอินทรีย์นะนะมันคือการที่เรารู้จักว่าเราเก็บข้อกับตามบทบุตรริ้กายใจของเราอย่างไรนะบางครั้งก็แค่กระทบแล้วก็ที้งไปนะ แต่บางครั้งก็ใช้อใช้ตาใช้หูใช้หูอใช้ใช้ใใใกายใช้ใจเพื่อเพื่อเกี่ยวข้องต่อโรลกนะแต่สิ่งสำคัญที่เราจะไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งกันเฝ้าอาไม่ใช่เรื่องเฝ้ า, าไม่ทิ้งกันกลับมาดูตัวเองกลับมาดูว่ากายตอนนีนะ้มันทําอะไรอยู่กลับมาดูว่าตอนนี้ใจรู้สึกอย่างไรนะ คือกลับมาดูตัวเองบ่งอยๆนะมันจะไม่หลงแต่ถ้าเราไหลไปตามสิ่ง ท, ที่เราดูมากไปไหลไปกับเสียงที่เราได้ยินมากไปมันจะไหลไปจะดื้อตัวตัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะร่างกายใช่ไหมแต่พอเราไหลไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันก็จะดื้อก็คือไหลไปกับเขาไหลไปกับเสียงที่เราฟังไหลไปกับลูกที่เราดูไหลไปกับใจที่มันคิดใช่ไหม แต่ถ้าเรามีตินะเราก็าจจะใช้มันใช้ตาเพื่อดูเพื่ออ่านนะใช้สมองเพื่อคิดนะแต่จิตเนี่ยนะยังเป็นปกติอยู่ได้นะเอเวลาเราคิดนะคนที่มีสตินะจะคิดได้จิตที่ปกติไม่ได้คิดได้จิตแบบที่มันแบบหลายกับอารมณ์นะเอลาเราคิดอะไรนะมันจะ จิตเรืจิตที่มันปกติธรรมดาเนี่ยแหละนะมันก็ปรุงนะนะสังขารมันก็ปรุงแต่งขันห้ามมันก็ทํางานแต่มันทํางานเลยที่เนะใจยังเป็นปกติอยู่ก็ทำได้นะแต่ถ้าเราขาดสติเนี่ยนะขันมันปุง ม, นะนะมันเกิดการปุงแต่งต่างๆขึ้นแต่เราจะนะทําตามอารมณนะ์จิตไม่ปกตินะ เราไม่ได้ปรุงเวลารคิดเนะี่ยไม่ได้ปรุงด้วยความโกรธใช่ไหมถ้าเราปรุงด้วยความโกรธจิตก็ไม่ปกติแต่ถ้าเราปรุงด้วยใจที่ปกตินะ่ยมันก็มันก็คิดนะตามเรื่องตามราวตามเหตุตามผลตามเหตุปัจจัยก็ทําตามเหตุตามปัจจัยมันจะเห็นว่าเออที่จริงปฏิบัติทำแล้วเราก็ทําได้ทุกอย่างเหมืนปกติแน่ะนะอนะ เราต้องสามารถพูดได้อ่านได้ฟังได้นะทาต่างๆได้นะแต่ถ้ามันนะไม่ได้เป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำก็ได้ทำนั่นแหละนะมันก็ตํารวมเข้ามาตัดรวมการงานทีนะ่ที่ไม่มากเกินไปนะไม่ยุ่งเหยิงสับสนบางทีบางคนกนะ็สร้างงานแต่เองแยกๆมากมายนะนะนะเราไม่ต้องไปสร้างอะไรมากหบอกนะ แล้วก็พยายามทำงานที่เรามีอยู่เนี่ยให้ดีที่สุดนะทําสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องให้ดีที่สุดนะแต่ให้เราเกี่ยวข้องนะอย่างมีสตนะินะเวลาคนอื่นเกี่ยวข้องกับตัวเองนะแล้วก็นะกลับมาดูนะาาตัวเองใหมากเราห้ามคนอื่นไม่ได้หรอกนะเขาจะพูดเขาจะทําเขาจะคิดอย่างไรกับเรานะเราห้ามไม่ได้หรอกนะ เราก็คิดแค่กลับมาดูตัวเราเองเวลาเขาพูดดีกับเราใจเราฟูไหมเวลาเขาพูดไม่ดีกับเราใจเราแทบไมนะเวลาเขาทำไม่ดีกับเรานะใจเราโกรธไหมนะเวลาเขาทำดีกับเราใจเราสุขใจเราลงเป็นความสุขไหมนะทำมันดูตรงนี้นะจะได้ประโยชน์นะที่คนอื่นจะทำอะไรกับเรานะนะ เราพี่กิงเลา อ, อจะมีรู้หรอกว่าเข า, เขาคิดอย่างไรแน่นอนนะแต่ถ้าเราตัดมาดูตัวเองนะเราก็จะตระหนักนะตระหนักตัวเองไม่หลงไม่ฟูไม่แฝงตามเขาไม่ถูกไม่รทุกตามการกระทำหรือคำพูดของเขานะแต่เราถ้าเราเฉลิมสูง ก, สก็สูขด้วยตัวเองนะเ <c oughs> วลาเขาทำดีนะเขาพูดดีเรามีความสุขที่เห็นเขาทำดีเนี่ย เ, เป็นความสุขที่ตัวเองนะไม่ใช่ว่าสุกก็เพรานะขาเขานะเพราะเขาเหมาทำให้เรามีความสุขแต่เราสุกก็ว่าเราเห็นเขาทำดีจราอนุโมท น, นาเราเราก็ดีๆกับในความสุขของเขาแล้วก็เป็นความสุขของเราเองอันนี้หลังจากนั้นที่จะมีความสุขด้วยตัวของเราเองได้แต่ก็เป็นความสุขที่ไม่ใช่ไหลหรือลงไปกับตรงนั้นหรอกนะล้วก็เราก็ดูนะ ดูไปเวลาเราเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆเนี่ยนะแต่ที่จริงพอปฏิบัติทำเรื่อยๆนะบางทีความสุขแบบที chỉ chỉ ่กดสุดใหญ่ต้อมีความสุขมันก็ไม่ค่อยสุขอะมันมันจิตจืดเช่นเวลาทาบุญเลยไหมน่ะไม่รู้นะคนไทยทั่วไปเวลาทําบุญดีใจมีความสุขใจแต่พอปฏิบัติทำเรื่อยๆเวลาทําบุญให้ของบริจาคเงินทองมันเหมือนไม่ค่อย ก็เจยๆก็ใ hmm. ห้ก็ให้ไปมีมีก็ให้แต่ไม่ใช่ว่าให้แล้วแบบโอ้จะต้องสุขแบบนานๆทิ่มกับความสุขนันก็ไม่ใช่นะรู้สึกอย่างนั้นนะอ่าอย่างอย่างคนตอนดูแลหลวงพ่อดูแลอ่าหรือไมาได้เกี่ยวข้องกับใจบางคนบางคนบอกมีบุญเยอะเนาะได้ดูแลครูบาอาจารย์แต่มาเองก็ รู้สึกไม่ค่อยเฉยเฉยในบุญดันั้นไม่รู้เหมือนกันก็เหมือนเราไม่รู้สึกว่าโอ้เราโชคดีเรามีบุญเยอะเรามีความสุขมากที่ได้แรงกลัวอาจารย์อะไรนะก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นก็รู้สึกว่าอืมเราเราอยู่ในตําแหน่งที่เราทําได้หมายถึงว่าดีในสถานะที่เราทําได้เราก็ทําไม่ทำแบบ ทำไปพึ่งไปทำไปมีว่าตัวเองมีบุญไปก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นรู้สึกว่านงก็ทำทำไปตามหนะ้าที่ทำังเกตุทำปจนะัจจัยขณะที่ทำก็ถ้าเราทำแบบนี้มัน ก, มนก็มันก็ไม่ได้ปูนะมีคนชมมีคนนะให้ค่าก็เฉยเฉหรือถ้าวาระอบายอาจารย์จากไปเราก็ปกติได้แต่ถ้าเราไปิด ที่ครูบาอาจารย์นะเราบุญของเราอยู่กับท่านที่เราได้ดูแลท่า น, น่ะเป็นบุญของเราท่านจากไปบุญเราหายไปแล้วเนะใช่ไห ม, มเราวัตถุของท่านมันเป็นเป็นตัวบุญของเราก็ไม่ใช่นะหนึ่งที่จริงวเวลาทําอะไรนะมันก็ทําไปด้วยหน้าที่ที่เราเกี่ยวข้องหมดหน้าที่ก็หมดมาหมดกัน <c oughs> อย่างอย่างตอนดูอาจารย์ของคนตอน พอเสียก็อืมก็ถือว่าเ็นโอ ก, การดีได้ดูกันได้ดูกันแต่พออาจารย์ไปแล้วก็ใส่หนักแรงนะก็ก็มันเกี่ยวข้องกันนะเพราะที่จริงแล้วถ้าเราเข้าใจครูบาอาจารย์มันก็ไม่ใช่ที่ร่างกายนะร่างกายของท่านนะมันก็ส่วนหนึ่งแต่ร่างกายของท่านมันก็ไม่สามารถที่จะ นะคนจากํารมธรรมชาติของธาตุของคันไดนะ้แต่ตัวธรรมะที่เราได้มีโอกาสได้เกี่ยวข้องได้ฟังได้เรียนรู้จากท่านนั่นแหะมันสําคัญกว่านะใช่ไหมค ร, รูบาอาจารยท่านแสดงให้เราเห็นว่าเวลาท่านอยู่กับโลกนี้ท่านก็ไม่หลงแอบโลกนี้เวลาท่านจะจากโลกนี้ไปท่านก็ไม่ได้นะ่ะอะไรอาบน่นะกับโลกนี้นะ ถ้าเราจะเป็นลูกศิษยท่านยินนะเราก็ต้องทําตามท่านเนะท่านอยู่กับโลกนี้นะท่านก็ไม่หลงโรคไม่พุกกับโลกนะท่านจะจากไปท่านก็ไปอย่างสงบได้เราเองก็เหมือนกันนะเราต้องทำแบบถามตัวเองมาดูตัวเองวเราอยู่กับโลกเราหลงโรคไหมหลงนะหลงก็คือนะหลงดีใจหลงเสียใจหลงสุขหลงทุกข์หรือเปล่านะเนี่ยเราก็ดูตัวเองถ้าเรา หลวงน้อยลงก็แต okay. ่มาประดีขึ้นแล้วหลวงน้อยลงมาทำทางกรูบาอาจารย์แล้วหรือแล้วนึกถึงความตายคิดถึงความตายถ้าคิดเสียใจเราเป็นยังไงใจเศร้าหมองใจกลัวใจกังวล้ไหมถ้าใจเราเร็เข้าหมองยังกลัวกังวลตราฝึกมาได้หรือเปล่าถ้าเรายจะฝักตอนแค่คิดไม่ได้นะตอนที่เจอจริงเสียาแค่คิดลองเตรียมตัวไว้ แตงเศร้างองยังพุดเนี่ยก็ต้องตื่นขึ้นมานะเพราะว่าพอถึงข่าวคนที่เรารู้จักเขาจากไปหรือเราต้งจากเขาไปนะมันจะมันจะห่วงมากนะมันจะวางได้ยากนะแต่ก็ต้องฝืกนตรงนี้นะแต่ถ้าเราเป็นผู้ที่เพึ่งทำนะตั้งใจทำเนะี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่ว่าคําพูดไม่ว่าการกระทํา หรือไม่ว่าความคิดนะให้เรามีธรรมะเข้าไปอยู่ในชีวิตของเรา น, น่ด้เลยนะมีธรรมะอยู่ทุกการกระทําของเรานะธรรมะไม่ได้อยู่แค่ว่าเรา <c oughs> ต้องมาเดินจงกรมต้องยกมือท้าจังหวนะแต่ธรรมะก็อยู่ในทุกการกระทําของเรานะให้ดูกายดูใจตัวเองให้มันชัดนะทําอะไรก็ทํำด้วยความที่เรารู้สึกตัวเนี่ลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยจะพา ชีวิตเราเป็นในทางที่ถูกในทางที่ควรเองนะไม่ใช่การคิดนะแต่ความรู้สึกตัวนะมันจะพากายพาวาจาพูดนะในทางที่ถูกนะมันจะลั่สิ่งที่ไม่ถูกของมันเองความรู้สึกตัวนะจะพาความคิดนะที่มันไม่ดีมันก็จบไปถ้าความคิดที่ดีมันก็อยู่ในกรอบที่พอดีนะมนไม่ใช่คิดดีแบบยาวตลอดนะ มันกเกมมมากเวลามีโครงการอะไรดีๆนะมันจะคิดอยากเอาอ ะ, ะอันนั้นก็คือไปอยู่ในความคิดนะแต่ถ้าคิดดีมันก็คิดแะจบคิดแล้วก็วางได้เหมือนกันอันนี้คือถ้าเราก็ไม่ได้ไปหวังบุญที่คนอื่นไม่ได้หวังบุญที่วัตถุสิ่งของไม่ได้หวังว่าทําบุญแล้วทําดีแล้วจะได้อะไรแต่เราทำด้วยความที่จริงทําบุญจริงนะทํำความเจตยาละนะ สลัดกิดเนเองนะสลัด เ, เรื่องแดกอย่างทางก็เป็นสลัดวัตถุที่ที่เรามีนะแต่บางเกมแมบางคนทําบุญนะเลือดอะไรของที่เราไม่อยากได้นะ <Okay. S 1> สบายค่ัเขาให้คนอื่นมันก็ไม่ใช่สลัดอะไรนะเราไม่อยากได้อยู่แล้วเราไม่อยากเกย็บแล้วเร า, เาทำทางเหล่านั้นนะมันสลัดเล็กน้อยอืม แต่ถ้าจะดีนะสลาดของที่เราชอบนั่นแหละนะของที่เรารักนั่นแหละตนละาดขอกไปนะมันได้บุญกว่าได้ตลาดสิ่งของที่มันแบบเราก็ไม่เห็นประโยชนนะ์หรือเราจะเห็นประโยชน์อยู่แหละแต่เราก็รู้สึกว่ามันมันประโยชน์น้อยอะเมันก็ได้มันไม่สดลาดความตื่นทีเดียวสลาดความยึดตินะหรือบางคนนะไปทํายากมาทําบุญกับพระนะ อ่ะเลือกซืก้อสังฆทานเลือกอะไรไง่ายๆก็ได้นะเลือกซื้อสังฆ้านอะไรก็ได้นะพระท่านท่ามวดนั่นแหละนะอืมเลือกซื้อของใช้สังฆทา น, นะอะไรก็ได้น่ะเป็นถังอะไรก็แล้วแต่แต่จริงวัตถุที่เราเลือกถวายเราก็ไม่ได้ฟันี้นะจิตเราก็ทําไม่ได้ว่าใส่ใจมากแล้วเราไปคิดแต่ระวังผล น, นะมันก็ทําไม่ถูกตั้งแต่ เบื้องต้นทางกลางแล้วก็ต่างจากนั้นนะแต่ถ้าเราทำถูกเราเห็นว่าใจเราจะหนีทีเหนียวอยู่เปล่าเนาะหนีทีเหนียวอยู่เราสลัดความจะหนีทีเนียวตรงนี้ออกไปได้วัตถุ้สิ่งของนะหรือว่าบางทีเราก็สลัดด้วยกนะารกระทำนะบางทีเช่นเราโกรธเราให้อภัยเขาเนี่ย เป็นการสละตำโกดออกไปอภัยทานะก็ได้ประโยชน์นะเนี่ยสละจริงๆสละกิเลสกิเลสที่มันเกี่ยวข้องกับวัตถุกิเลสที่มันเกี่ยวข้องกับบุคคลเราสละออกไปเนี่ยอันนี้ยมันได้บุญกุศลจริงๆนะแต่ถ้าเราทําบุญด้วยวัตถุสิ่งของแล้วก็หวังจะได้บุญเนี่ยก็ไม่ใช่สละจริงๆนะแต่จริงก็ต้องปฏิบาติทำในจริงนะก็ เรียกว่าทำตามเหตุตามปัจจัยนั้นไม่ต้องไปไม่ต้องไปทุ่มเทพ น, น่าไปบ้านในเรื่องวัตถุมากนะแต่จะช่วยนะตามเหตุตามปัจจัยที่เราทำได้แต่สิ่งที่เราเน้นีจิงตลาดกิเลสเรามปจัดใจน ะ, นะอาจจะตลาดด้วยวิธีการอย่างที่ทาทานในตลาดตลาดด้วยวิธีการรักษาสินมีสินตลาดด้วยวิธีการรู้อนะ ในการภาวนาจริงๆเนี่ยนะนะมันเป็นรูปแบบนะทานติมภาวนาเป็นรูปแบบแต่จุดหมายจริงๆคือเพื่อให้เราสละนะสละกิเลสเอาไปจากใจมันก็จะเหลือใจที่บริสุทธิ์ล้วนแะต่ที่บ ร, ริสุทนธะิ์เพรียวแต่ที่สะอานใจที่สว่างใจที่สงบอย่างเดียวนะไม่มีอยา่างอื่นนะอันนี้คือเหลือใจเดียวนะเป็นคนใจเดียวนะ ใจเดียวเนี่ยนคะืออะไรใจทีนะ่รักเนียรักเดียวใจเดียวรักอะไรรักธรรมะอย่างเดียวไม่ก็รักคนอื่นแต่ก็ไม่ได้รักไปมากกว่าธรรมนะคือนระักความไม่พูดเนี่ยของคนเราบอกเนะี่ยเรนรักธรรมะเราศึาากษาธรรมะแต่บางทีแล้วก็ยังรักกิเลสเหือนกันเนะีย <c ười> ใช่ไหมยังรักือกิเลสตอนนี่ขอไว้ก่อนหน่อยจะพึ่นไป น, นะ <c ười> ừ, ขอเล็กหน่อยแต่จริงถ้าเราใจเดียวจริงเดชขาดรักธรรมะรักความมีทุกข์รักความมีสติอตัวอย่างเดียวนะถ้าอย่างอื่น ม, แมนแต้มันขอเนี่ยอปฏิเสธนะเห็นไหมเหมือนเรารักใครมีคนมาช่อมมาเกี่ยวเราแล้วก็ปฏิเสธไปไง่ายถ้าเรารักเดียวอย่างเดีย้ง่ายนะตระหนักธรรมะอย่างเดียวเนี่ยมันง่ายนะกิเลสได้เกิดมาตัดตัดตัดตัดใจเออมันง่ายนะ แต่ถ้าเราทำมากก็อยากเอากิเลสก็ยังอยากจะเอาอยู่นี่ยมันมันจะงงมากีเดียวนะเราก็ิ่งบางครั้งก็อยากมาหาธรรมะบางครั้งก็อยากมาหากิเลสะมันก็มันก็ไปผลัดทิศผลัทางอะไรก็ยชีวิตเราก็เลยแบบสับสนเนี่ยอืดีก็อยากเอามันไม่ดีก็บางทีก็อยากเอาเหมือนเนาะต้องเด็ดขาดเลยนะชีวิตเรามันไม่มากนะ ถ้าเราเป็นคนเด็กขาดนะมันก็จะได้ของดนะีเหมือนที่ผมก็เทียนบอกถ้าคนจริงนะก็ได้ของจริงคนไม่จริงนะหยาดหยั่งนะก็ก็ได้อยู่นะนะถ้าเราทําแต่ก็ได้น้อยแล้วก็ช้านะ่ได้ช้าแต่ถ้าเราทําจริงนะนะมันก็ได้จริงนะแล้วก็มีเรื่อช้าด้วยปนะงปังนะ